มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนดกะปัญหาทุติยวัคมัจจุปาสามุติกะปัญหาที่สี่ถามว่าเดิมตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายจะหนีซ่อนที่ไหนก็ไม่พ้นมัจจุราชเหตุอะไรภายหลังตรัสว่า ค้นได้ด้วยอำนาจพระปริตเล่าราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสถามปัญหาอื่นสื่อไปเล่าว่าพันเตนาคเสณะข่าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาพาสิตังเจตังพัควตาสมเด็จพระพะคกวันตะบพิษพิชิตมานมีพระพุทธดีกาโปรดประทานไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายจะเร้นซ่อนตนอยู่ที่ใด นับปะสะเหยะมัจจุพระยามัจจุราชจะไม่ได้ครอบงำย่ำยีสัตว์ที่ในประเทศที่นั้นไม่มีเลยถึงมาดว่าจะเสวยทิพยสมบัติมโหรานมีทิพยะวิมานลอยอยู่ในอากาศก็ดีหรือว่าจะเข้าไปอยู่ในปล่องห้องหุบเคีรีราชสิงครหรือว่าจะเที่ยวท่องล่องลอ ย, อยอยู่ในสมุทรสาครกระแสสิล หรือจะช้ำแรกแทรกลงไปอยู่ใต้แผ่นดินก็ดีจะหนีอยู่ในที่ใดที่ใดก็ดีที่จะได้พ้นจากบ่วงแห่งมัจจุราชหาไม่ได้อนหนึ่งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถศาสดาจารย์มีพระพุทธบัญหารตรัสว่าบุคคลจําเริญพระปริสนั้นแหลจะพ้นจากบ่วงแห่งมัจจุราชได้พระปริสนั้นคือสิ่งไรอ๋อ ได้แก่ขันธะปริทหนึ่งสุวัฐิปริทหนึ่งมระปริทหนึ่งทัชชคะปริตหนึ่งอาตานาติยะปริทหนึ่งบุคคลจำเริญพระปริทเหล่านี้อาจกันภัยแต่มัจจุราชได้นี่แลถ้าโยมจะเชื่อเอาคำนี้เป็นขาดคำเดิมที่ว่าจะสถิตอยู่ในที่ใดๆไม่พ้นพระยามัจจุราชนั้นก็ผิด แม้จะเชื่อถือเอาคำที่พระองค์ตรัสว่าบุคคลจะสถิตยอยู่ในที่ใดๆไม่พ้นพระยามัจจุราชคำที่ว่าบุคคลจำเริญพระปริษจะพ้นจากบ่วงแห่งมัจจุราชก็จะผิดอยังปันโหปริศนานี้เป็นอุพะโตโกตินิมนต์พระผู้เป็นเจ้าโปรดวินิจฉัยให้สิ้นสงสัยก่อนคันดิกะตะโร หรือที่จะคิดผันผ่อนร้อยกรองล้องขัดอยู่ตวานุปตโตมาถึงพระผู้เป็นเจ้าแล้วพระผู้เป็นเจ้าจงวิสัญชาแก้ไขในการบัดนี้พระนาค เ, เสน จ, จิงวิสัญนาว่ามหาราชะขอถวายพระพอรบอบพิษพระราชาสมภารสมเด็จพระบรมโลกกาณาศาสดาาจารย์มีพระพุทธดีกาโปรดประทานไว้ด้วยบาทพระคาถาชะนี้ว่า ณอันตลิเเคณนะสมุทธรรมเชณนะปปัตตานังวิวรังปรวิสาณนะวิชเช ต, ตโสชาคติปะเทโสอันตรัตติตังนะับปะสะเหยยะมัจจุดังนี้อธิบายความตามกระแสพระพุทธดีกาตรัสว่าบุคคลที่มีฤทธาศักดาเดชอาจเหาะระเหตไปอยู่ในอากาศ อันปราศจากที่ดำเนินเดินได้ก็ดีและจะกระทำฤทธิ์ไปอยู่ในถ้ำกลางมหาสมุทรสาครนและจะไปอยู่ในช่องปล่องสิงคขอนคีรีก็ดีหรือว่าจะอยู่ที่พื้นปฐพีที่ไหนที่ไหนก็ดีนับปะเสหยะมัจจุที่พระยามัจจุราชจะไม่ครอบงำนั้นหามิได้โสชคติ ป, ปเทโสอันว่าประเทศที่แผ่นดินและอากาศเป็นต้นนั้น ที่จะได้พ้นจากอำนาจแห่งพระยามัจจุราชไปนั้นหาไม่ได้พระบรมไตรโลกนาถโปรดประพาทไว้เชนี้ซึ่งพระปริศทั้งหลายมีประการเป็นอันมากนั้นอุทิศฐาจะสมเด็จพระสัพพัญยูเจ้าตรัสประธานไว้เพื่อจะให้ป้องกันมัจจุราชแต่บุคคลที่อยู่ในปฐมวัยมีอายุพอจะสืบต่อไปได้มีกรรมเครื่องห้ามประสจากสันดานแล้ว จะจำเริญพระปริษไม่ให้สิ้นอายุเลยนั้นไม่ได้คงจะตายแลแต่ทว่าคอยกันพระยาม จ, จุราให้ช้าอยู่เพื่อให้อายุยืนไปแต่กรณีได้อยู่บ่อพิษพระราชาสมภารถ้าว่าการกำหนดสิ้นอายุแล้วถึงจะภาคเพียนจำเริญภาวนาอย่างไรก็คงจะไม่ฟังเปรียบดุดดังต้นไม้อันตายแล้วสุกสะ โกลาปักษะมีลำไส้เป็นโพรงภายในแห้งผากไปหายางหายเยื่อที่จะรักษามิได้อุป ร, รุณทะชีวิตสสะมีชีวิตขาดเด็ดมีชีวิตขาดเด็ดไม่อาจที่จะจำเริญวัฒนาการเป็นไปได้คตายุขยัสสะถึงความสิ้นอายุแล้วปฏติตะเพกคุตสะมีใบและสะเก็ดในลำต้นนั้น เขียวแห้งร่วงหล่นไปถึงมาแม้ว่าผู้ใดมีใจปรารถนาจะให้ต้นไม้นั้นคืนคงดำรงเป็นขึ้นได้จะเอาน้ำมารดลงให้หนักสักร้อยหม้อพันหม้อก็บอหอนที่จะแตกหนอคลี่ใบผลิงอกขึ้นมาได้ปะละวังหาริตะภาวูที่ว่าจะแตกใบอ่อนเขียวชื่นคืนเป็นขึ้นมานั้นหาไม่ได้ยะถามีครุวนาฉันใด บุคคลถึงแก่อายุขายสิ้นอายุแล้วถึงว่าจะมียาวิเศษและแพทย์จะตั้งใจเยียวยารักษาประการใดๆก็ดีก็มิอาจให้มีอายุสืบไปได้เป็นอันขาดมหาราชะดูกระบพิษพระราชสมภารยาประการใดขนาดไหนที่เคยเชื่อถือมาถ้าคนสิ้นอายุรักษาเยียวยาไว้ไม่ได้พระปริศก็เหมือนกัน คนที่สิ้นอายุแล้วก็ช่วยไม่ได้ถึงจะสวดให้มากสักปานใดก็ไม่สามารถจะป้องกันชีวิตคนที่มีอายุสิ้นแล้วให้อยู่ต่อไปอีกได้เลยมหาราชะขอถวายพระพรยาและพระปริ์ทั้งหลายนี้ไว้ป้องกันรักษาคนที่ยังไม่ถึงแก่กรรมและคนที่ยังไม่สิ้นอายุเท่านั้นจะเปรียบฉันใดมหาราชะ ขอถวายพระพรบ่อพิษพระราชสมภารเปรียปานดุดชาวนาเมื่อต้นข้าวแก่จนสุกแล้วถึงจะวิดน้ำในห้วยหนองคลองใหญ่เข้าไปในที่นาปิดขังเอาไว้สักเท่าใดก็ดีต้นข้าวนั้นจะเจริญดีหาไม่ได้แต่ข้าวที่มีต้นอ่อนนั้นครั้นได้น้ำเลี้ยงต้นชุ่มชื่นข้าวก็มีสีสันเขียวเฉาอุ่มงามมีสีอุ ป, ปมาณนี้ฉันใด ได้แก่คนที่มีอายุสิ้นแล้วจะให้กินยาและสวดพระปริศเท่าใดก็ไม่สามารถจะมีอายุอยู่ต่อไปได้เหมือนต้นข้าวที่รวงแก่แล้วถึงจะเปิดน้ำเลี้ยงไว้ให้รักษาอยู่ก็คงจะมีเมล็ดและรวงนั้นล่วงไปด้วยเหตุว่าต้นข้าวนั้นแก่แล้วก็ไม่อาจที่จะจำเริญไปอีกได้อันหนึ่ง มนุษย์ที่มีอายุและวัยยังจะจำเริญไปอีกนั้นแม้เจ็บไข้ถ้าได้สวดพระบาริสหรือกินยาแต่น้อยก็จะหายคลายขึ้นจำเริญสืบต่อไปได้อุปไมยเหมือนต้นข้าวอันอ่อนนั้นครั้นต้องน้ำนเลี้ยงต้นอยู่แต่เล็กน้อยก็พลอยจำเริญงามดีมีสีเขียวฉ่มนะบอพิษพระราชสมภาร สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคเสนฆ่าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาถ้าว่าคนสิ้นอายุแล้วจะเอายาให้กินก็ตายสวรพระปริตก็ไม่หายพิฉะนั้นยาและพระปริตนี้มิหาประโยชน์มิได้หรือพระผู้เป็นเจ้าเพราะใครเป็นก็เป็นไปใครถึงความตายก็ตายไป ธรรมดายาและพระปริษฐหาช่วยชีวิตใครได้ไหมพระนาคเกศณนจริงถวายพระพรแก่ว่ามหาราชะดูกระบอพิษพระราชาสมภารได้เคยทัศนาการเห็นบ้างหรือแต่ก่อนมาบุคคลเป็นโรคสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วหายไปด้วยบริโภคยาณบอพิษพระราชาสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินธราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่า อามะพันเตข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าคนกินยาหายโรคมานี้โยมเคยเห็นมาหลายร้อยนักหนาพระน่าเกษณจริงว่าถ้าการะนั้นบพิษพระราชสมภารที่บพิดว่าพระปริศและยาหาประโยชน์ไม่ได้นั้นคำนี้ผิดไปคนกินยาหายโรคมากกว่าร้อยที่กินยาหายนั้นบอพิษก็เห็นอยู่ชนี้มิเชื่อหรือ สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินธราธิปดีพระราชองค์การตรัสว่าคนที่หายโรคด้วยความเพียรแพทย์เขาประกอบยารักษานั้นโยมเห็นประจักษ์แล้วพระนาคเษนจึงมีเถระวาจาถามว่ามหาราชะดูกระบพิษพระราชสมภารได้เคยทรงพระสวนาการฟังเขาว่ามาแต่ก่อนบ้างหรือไม่ว่า คนที่สวดพระปริศเสียงแจ้าแจ้วจนสิ้นแห้งหัวใจเพลียคอแหบแต่โรคพยาธิและอันตรายทั้งหลายสงบหายเสื่อมคลายไปด้วยอำนาจคุณพระปริศที่สวดนั้นประการหนึ่งเล่าบอ่อพิษเคยทอดพระเนธเห็นบ้างหรือไม่คนที่ถูกอสรพิษขบกัดแล้วผู้มีวิชาทางพระปริษมาเป่าปัดกำจัดพิษนั้นให้เสื่อมหายรอดพ้นจากความตาย ได้ชีวิตกลับคืนมาโดยหาอันตรายไม่ได้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินกริสัดจึงตรัสว่าโจมได้ยินอยู่บุคคลที่งูขบนั้นหมอเขาเป่ามนพ่นน้ำกำจัดพิษให้หายเป็นคำแต่ก่อนเล่ากันมาในโลกตราบเท่าทุกวันนี้พระนาขาเษนจึงมีเทระวาจาว่ามหาราชะดูกระระบอพิษพระราชสมภาร ก็เมื่อมีอย่างมาแต่โบราณเช่นนี้จะว่าพระปริตและยาไม่เป็นประโยชน์อย่างไรประการหนึ่งผู้ใดปรณิบัติเจริญพระปริตอยู่ถึงจะเอางูให้ขบงูก็ซบศีรษะไปไม่กล้าอ้าปากขบกัดได้ถึงโจรทั้งหลายเงือดเงื้อกระบองจะตีก็ตีไม่ลงถึงจะใสช้างซับมันให้ไปแทงก็แทงไม่ได้ ถึงไฟจะลุกเป็นเปเลวอยู่ก็ดีก็มิอาจไม่ได้ถึงจะบริพวกยาพิษเข้าไปก็ไม่ตายถึงคนทั้งหลายจะปองร้ายคอยที่จะฆ่าครั้นเห็นหน้าเข้าแล้วก็ยอมตัวเป็นทาสมิอาจจะฆ่าถึงว่าจะเหยียบบวงก็ไม่ติดบวงบวงก็ไม่รูดมหาราชาขอถวายพระพรบรพิษพระราชสมภาร ได้ทรงพระสวนาการคำเขาว่ามาแต่ก่อนบ้างหรือประการใดในเรื่องราวนั้นว่ายังมีพระยานกยูงตัวหนึ่งตั้งใจจะมริญซึ่งพระปริตรักษาอาตมาพรานป่าเพียรพยายามดักอยู่ถึงร้อยปีก็หาได้ตัวไม่ครั้นมาพระยานกยุงประมาทลืมหลงไปไม่ได้เจริญพระปริตรวันเดียวเท่านั้นก็ติดบ่วงของนายพราน สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การรับคำว่าอามะพันเตเออพระผู้เป็นเจ้าโยมได้ฟังอยู่นิทานนี้ระบือลือชาไปในมนุษย์ตลอดจนที่สุดเทวโลกพระน่าเกษจึงมีเทระวาจาว่าดูกรรบพิษพระราชสมภารได้ทรงพระสวนาการฟังบ้างหรือประการใดแต่ก่อนมีมาในเรื่องราวว่า ยังมีทานบพบุตรอาสูนผู้หนึ่งรักษาซึ่งภริยาของอัตมาให้ภริยาลงอยู่ในผอบใหญ่แล้วกรืนผอบนั้นเข้าไปรักษาไว้ในท้องของตนอัถวิชาทโรปางนั้นยังมีวิชาทรคนหนึ่งจึงเข้าไปในปากของทานบอาสูนนั้นแล้วก็สมัครสังวาส ด, ด้วยภริยาของทานบอาสูนนั้นครั้นทานบอาสูนนั้นคานึงถึงภริยา ก็คายะอบ อ, ออกมาจากปากเปิดฟ้าะอบขึ้นโดยเร็วพลันฝ่ายวิชาทอนั้นก็เหาะร่อนหนีขึ้นไปยะถากรรมมังตามปรารถนาของอัตมานี่แหละนิทานนี้มาแต่โบราณบพิษเคยสดับหรือไม่สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิปดีมีพระราชองค์การรับคำพระน่าเกษณ์ว่านิทานนี้โยมก็ได้ฟัง พระผู้เป็นเจ้าเขาเล่าลืออื้ออึงอยู่ทั้งมนุษย์โลกและเทวโลกเล่ากันสืบสืบกันมาเล่ากันสืบสืบมาพระนาคเษนจึงมีเทระวาจาว่ามหาราชขอถวายพระพรอนบ่าพิษพระราชาสมภารผู้ทรงพระราชาสวัสดิสถาภรณ์ตกว่าวิชาทร น, นั้นทานบอสูญจับกลุ่มไม่ได้ นี่มิอาศัยจำเริญพระปริริหรือพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่าอามะพันเตกระนั้นศีนะพระผู้เป็นเจ้าเป็นด้วยกําลังพระปริริไม่ผิดเลยพระนาคเษนจึงมีเถระวาจาว่าเตนะหิมหาราชะขอถวายพระพรบวชิษพระราชสมภารถ้ากระนั้นกําลังคุณแห่งพระปริรินี้ มีมั่นคงอย่าได้สงกาสุตังปณะตยายังมีนิทานหนึ่งเล่ามีมาแต่การก่อนบอพิษพระราชสมภารเจ้าได้ฟังอยู่หรือว่าเอโกวิชาทโรยังมีวิชาทอนผู้หนึ่งไปลอบลักพิสวส์ด้วยพระมเหสีแห่งพระเจ้าพาราณสีพระเจ้าพาราณสีจะจับก็จับไม่ได้ขณะเดียวก็เหาะไปด้วยกำลังมนอันเชี่ยวชาญ สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การารับคำพระนาคเสนว่าอามะพันเตเออพระผู้เป็นเจ้านิทานนี้โยมได้ยินเล่ามาพระนาคเสนจึงมีเถระวาจาว่ามหาราชะขอถวายพระพรวิชาทรนี้เขาหนีได้จากการจับนั้นด้วยกำลังมนอันเป็นพระปริตนั้นไม่ใช่หรือพระราชสมภาร สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสว่ากระนั้นสิพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเสนจึงมีเทระวาจาว่าเตนะหิมหาราชะขอถวายพระพรถ้ากระนั้นพระปริศนี้ก็มีกำลังกล้าหาญ น, นักหนาพระเจ้ากรุงมิลินปินประชาบาลจึงมีพระราชโอลงการถามว่าพันเตนาคเสนา ข้าแต่หน้าเกษณผู้ปรีชาสัพเพปริตานิรักขันติพระปริตนนรักษาประชาชนคนทั้งหลายทั่วทุกตัวคนหรือหรือว่ารักษาเป็นบางพวกพระหน้าเกษณจึงมีเถระวาจาว่าเอกเจมหาราชดูรานะบพิษพระราชสมภารเจ้าพระปริตนี้จะได้รักษาประชาชนทั่วทุกตัวคนหาไม่ได้ รักษาเป็นบางพวกไม่รักษาเป็นบางพวกขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินจึงมีพระราชองค์การตรัสถามว่าถ้าเช่นนั้นพระปริศไม่ได้รักษาคนทั้งปวงได้ทั่วทุกตัวคนหรือพระนาคเสน จ, จึงถวายพระพรถามว่ามหาราชะขอถวายพระพรผู้ชนะหารรักษาชีวิตสัตว์ไปทั่วตัวหรือพระราชสมภาร สมเด็จพระเจ้ามิลินปูมินราธิบดีมีพระราชะองค์การตรัสแก้ว่าพันเตฆ่าแต่พระนาคเษนผู้ปรีชาคนบางจําพวกเล่าอาหารรักษาซึ่งชีวิตได้บางจําพวกรักษาไม่ได้พระนาคเษนจึงถามต่อไปว่ากิงการนาเป็นเหตุชไหนพระเจ้ามิลินปิ่นกษัตริย์ตรัสแก้ไขว่าพันเตฆ่าแต่พระนาคเษนผู้ปรีชา คนทั้งหลายบางเหล่าบริโภคอาหารเหลือขนาดเตโชธาต์บ่มิอาจเผาผลานก็จะแน่นจุกเสียดถึงมรณะการความตายพระนาคเษนจิงถวายพระพรว่ามหาราชะขอถวายพระพรถ้าว่าคนกินอาหารเข้าไปเกินขนาดแล้วล้มตายอาหารก็รักษาชีวิตสัตว์ทั้งปวงไม่ได้นะสี่พระราชสมภาร สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระน า, าเกษนผู้ปรีชาโภชนะาหารจะรักษาชีวิตสัตว์บ่ได้ด้วยเหตุสองประการคือบริโภคอาหารมากหรือขนาดประการหนึ่งธาตุไฟหย่อนไม่อาจย่อยได้ประการหนึ่งโภชนะาหารเป็นของเลี้ยงชีวิตสัตว์ แต่เพราะเหตุที่สัตว์ทำไม่ดีไม่รู้จักบริโภคให้พอสมควรและไม่รู้จักผันผ่อนให้เหมาะแก่กำลังของตนจึงกลายเป็นเครื่องทอนชีวิตสัตว์ไปพระนาคเษนจึงมีเถระวาจาว่ามหาราชาขอถวายพระผรอนพระปริศก็เหมือนกันกับโภชนาหารบางทีก็รักษาได้บางทีก็รักษาไม่ได้และพระปริศนี้ จะช่วยไม่ได้ด้วยเหตุสามประการคือเป็นกรรมมาวรกกำลังกรรมแรงนั้นกั้นไว้ประการหนึ่งคือเป็นกิเลสาวรกิเลสบังเกิดขึ้นในขันธสันดานเช่นโมระราชปักษาพระยานกยุงทองอัหมองมัวด้วยนางนกยุงนั้นก็กั้นไว้ไม่ให้จำเริญปริษได้ประการหนึ่งคือบุคคลพูดจำเริญพระปรริษนั้นจิตไม่เชื่อ บนเพอ้อไปแต่ปากประการหนึ่งเสริเป็นเหตุสามประการชนีเหตุดังนั้นอันว่าพระปริษนี้เป็นเครื่องป้องกัน ร, รักษาบุคคลแต่เพราะเหตุที่บุคคลมีเครื่องกั้นดังกล่าวมานี้ติดตัวอยู่จึงละเสียหารักษาไม่ยะถามหาราชะขอถวายพระพรบนบวพิพ ร, ราชสมภารเปรียบดุดมาดาอันเลี้ยงบุตร เดิมก็ถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงบุตรของอาตมาสู้ทนทุกขเวทนาบริหารมาตั้งแต่ยังอยู่ในคันครั้นบุตรรอดคลอดออกมาแล้วมานดานั้นก็อุตสาหะเลี้ยงรักษาฟูมูดฟูมคูดสู้เช็ดเสลต้นน้ำลายไม่ให้เปรอะเปื้อนมอมแแมมแล้วก็ทาขมิ้นดินสอพองน้ำอบเครื่องหอมต่างๆอย่างดีอย่างดีงดจนบุตรโตใหญ่ยืดมา ครั้นบุตรนั้นวัฒนาการจำเริญขึ้นแล้วไม่เชื่อฟังคำมารดาสั่งสอนดุร้ายหยาบช้าไปด่าว่าประหารทุบตีบุตรท่านผู้อื่นเข้าเขาจึงจับตัวฉุดคร่าพามาหาท่านที่เป็นนายบ้านและท่านที่เป็นในายใหญ่เป็นประธานผู้มีหน้าที่เป็นพนักงานปกครองดูทุกข์และสุขของชาวบ้านนั้นครั้นพิจารณาไปก็เห็นว่าบุตรนั้นมีโทษกระทำผิด เพราะไปด่าว่าทุบตีเขาท่านในบ้านนั้นก็ให้ชุดคราบุตรนั้นไปเบียดเบียนขิี่นตีด้วยท่อนไม้และสอกเขาตามพระราชากำหนดกฎหมายโดยสมควรแก่ความผิดมารดาของบุตรนั้นจะเข้าไปขัดขวางต่อในบ้านผู้ลงโทษแก่บุตรนั้นได้อยู่หรือประการใดนะบอพิษพระราชาสมพานสมเด็จพระเจ้ามิลินมีพระราชโอการตรัสว่าณิพันเต อย่างนั้นหาไม่ได้พระนาเคเสนจึงมีเทระวาจาว่าเหตุประการใดเล่าพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชะองค์การตรัสว่าพันเตฆ่าแต่พระนาเคเสนผู้ปรีชาบุตรนั้นต้องโทษ ด, ด้วยกรรมอันดาตีเขาเป็นผู้มีความผิดใครจะช่วยได้พระนาเคเสนจึงว่าฉันใดก็ดีดูกระระบ่อพิษพระราชสมภาร พระปริษนี้เหมือนกันเป็นเครื่องป้องกัน ร, รักษาบุคคลแต่ป้องกัน ร, รักษาไว้ไม่ได้เพราะบุคคลนั้นมีความผิดเป็นโทษห้ามการเสียไม่ให้ช่วยได้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธทิบดีก็ทรงซ้องสาธุการว่าสาธุสาธุาธดังข้าพระเจ้าชมปัญญาสุวินิชโตพระผู้เป็นเจ้านี้ ช่างพิาพากษาบรรดาที่ว่าจะสงสัยพระผู้เป็นเจ้าก็กระทำมิให้สงสัยอันทกาโรบรรดาโลกจะตามืดไปอโลโกกโตพระผู้เป็นเจ้ากระทำให้ตานั้นสว่างทั่วกระจ่างแจม่มใสวินิเวธทิตังพระผู้เป็นเจ้ามาเคลี่คลายเสียซึ่งขายคือทิฏฐิพระผู้เป็นเจ้านี้มีปัญญาประเสริฐกว่าเจ้าหมู่เจ้าคณะทั้งหลาย เป็นผู้อุดมเลิศหาผู้ใดเปรียบไม่ได้ในการบัดนี้มัจจุปาสามุติกะปัญหาเป็นคำรบสี่จบเพียงนี้